กดถึงอาการส2สบสองดูให้เห็นเป็นของระติมกูล เป็นเรื่องของกายของเราเราจะพิจารณาเห็นเป็นอาการ32มีดินกับน้ำท่าดินกับทาาน้ำเป็นไล่อาการ32สาโลมาคนะ้า ด, นดานตาตาโจ อาการส2สองอาการสาบสองนี่มาแยกเป็นดิน20สเป็นทตาดินน้ำ12บสท่าน้ำ12ธาตงาดิน20สรวมเป็น32สองที่พระพธเจาท่านทรงแยกทากันท่านแยกตามความข้นความเหลวความแขแข็ง ไม่ใช่ไปพิสูจน์เป็นธาตุาน้นธาตนี้เหมือนอย่างวิทยาศาสตร์เราที่ไปแยกกันเป็นร้อยร้อยธาตุพระเจ้าสงแยกให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำอาการ32เนี่ยเราต้องการจะนั่งดูข้างไหนของเราเราไมานั่งพิจารณาเป็นผมเป็นคนดูสมรวจปรวราย่เป็นแลบ เป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกมีเยื่อในกระดูกมามหัยใจจับพังพืใต้ปอดเป็นอวัยวะแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างซึ่งมันทำหน้าที่แต่ละอยา่างแต่ละอย่างของมันมเป็นทางดินที่ยี่สิบ เธาตุดิน20โบราณท่านจึิงมาเปรียบเทียบว่าธาตุดินเลยเท่ากับธาตุของพ่อธาตุน้ําเท่ากับธาตุของแม่ธาตุดิน20ธาตุน้ํำ12น้ำแต่น้ำดีตั้งแต่น้ําดีน้ำเสลน้ําเหลืองน้ําเลือดนจนถึงน้ำโคตรน้ําโมดน้ํามดเน่ามัเป็นอาการ32 ต้อเรียกตามความมีความเป็นของมันที่ท่างเรียกว่าอาการอาการผมก็คือกิริยาอาการอย่างหนึ่งของกายส่วนหนึ่งของกายเป็นขนส่วนหนึ่งของกายเป็นเล็บส่วนหนึ่งของกายเป็นฟันเป็นหนังแต่เจ้าคือหนังไม่ได้บอกว่าหนังนทั้งหลายคือหนังนี่นมันครอบคลุมไปหมดหนังหนังของเราข้างนอกของมันเป็นผิว ผิวดำผิวขาวผิวดำผิวอะไรแล้วแต่ันจะเป็นผิวของคนพอเอาหนังออกข้างในเหมือนกันหมดต้องชิมหนังออกปั๊บเลือดพุ่งมาเลยหนังข้างในหนังเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่เราเห็นเป็นควนเป็นพีใหญ่คนใหญ่เล็กเรียว ตรงไหนตามสัดส่วนตามสัญถามของรูปกายของเราเราก็ติดถ้าตระพูดถึงเ ร, งเรกิเลสกิเลสติดติดไม่ไปตั้งแต่ผมผมเราผมไปยึดผมยุดขนยุดเล็บ ข, ขนง้ำเหลือเกินขนแขนขนขาง้มเหลือเกินขนกง า, าวกงว่าอะไรกางไปหมดด้่ยเห็นเป็นของงามไปหมดแต่ถ้าให้พิจรารณาให้เป็นของปฏิกูล ทิพคุณคือมันโซโคกรกมันสซ ก, ก็โกรดูที่สีของมันดูที่กลิ่นของมันดูที่ความเป็นอยู่ของมันมันโซก็โปรเช่อย่างฟันเนี่ยต้องบอกฟันอยู่ในปา่ามันก็ชุ่มแช่ด้วยน้ำน้ำลายอยู่ตลอดยีิบสีชั่วโมงเลยจากนั้นแล้วมันก็มีอะไรมาตกตะกรมาเกาะมาห่มเป็นขี้ฟัน <laughs> เป็นมูลฟัน ผมกมูลผมขนกมูลขนฟันกมูลฟั น, ลฟนเล็บเล็บกบมูลเล็บดูลเล็บละเล็บมันออกมาตามปลายนิ้วเวลาลเรามาเกามาอะไรจะอะไรมันขูดสกรปรกเอาไว้ดำปีบางคนเห็นเห็นว่าไม่เป็นสกรปรกไม่ต้องแคะไม่ต้องเขียนไม่ต้องอะไรแหละดำปีจับอาหารกินก็นอย่างงั้นแหละมันเป็นตัวมันเป็นที่ที่หนึ่งสำหรับกัด เชื้อโรคเอาไว้จับอะไรใส่เข้าปากไปก็เชื้โอโรคไปด้วยกันเยมันโศโครคผมโศโครกขนโศโครกเล็บโซโครคหนังโศโครกปอิกูลโศโครคอ่าแล้รูปไปแล้วก็มันขาวมันงามมันผ่องบางคนก็ดำดำ หนังแล้วก็ตีกิดหนังเวลาเหงื่อมันออกมามันขับออกมาข้างนอกนั้นมันก็มาหมักมาหม ม, มล่วงไปครึ่งนัดครึ่งชั่วโมงลงไปลง ไ, ไปหนึ่งชั่วโมงเริ่มเหม็นแล้วเมาดูหนังในตรงที่มันไม่ค่อยเปิดมันอับอับชื้นชื้นี่ยมีกลิ่นเหม็นตลอดเพระาะอะไรเพราะเหงือ่อ ท่าว่าถุงหนังถุงหนังร่า ง, างกายของเรามันเป็นถุงหนังมันซึมออกมาตลอดไม่ซึมออกมาไม่ได้อันตรายนี่บางคนเป็นโรคที่ไม่มีเหงื่อออกนีอันตรายเหงื่อมันขับออกไม่ได้ขับเหงื่อออกมาตามรูขุมขนขนตรงขุมขนมันเป็นรูขัขบผู้เหงื่อออกมาโศกโรคปฏิกูลโศกโรค ให้ดูเห็นเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงแตละอย่างตะอย่างแตะอย่างและให้ปร่งในความเป็นโสโครโกบให้พิจารณาว่า ก, กายมีอยู่ให้สักทาว่า ก, กายมีอยู่ที่กายกยายอนุปัชชิวารติรสิมามานปัชชิวะกายสิติ อาจตาบียถวกายัมิติเบวกายัตปัิบาติสมุดยตมนปิวากยสติบยธมนปิวากยสุมิติสมุยยธมนปิวากยสติิากาทจรกายมีอยู่ใช้สติ เป็นเครื่องกำหนจดจุดจ่อระลึกรู้อยู่ว่ากายมีอยู่สักแต่ว่าเป็นที่เราเลืกว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเรามีสมาธิอยู่ในกิตเรามีสติใข่ครวรกําหนดจดจอ่อนู่มาที่ผมรู้สุงเกตังการดูที่ไปดูที่มาของมันเราก็ไรู้ ผมพยายามจําสันธานเข้ามามมแล้วก็มาดูเรื่องพิจารณาสับเปลี่ยนไปเรื่อยก็ได้มันเป็นการสําเกตตรวจตราดูร่างกายของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยโดยไม่สมกติออกไปข้างนอกอไม่ถือว่าเป็นผมเราเป็นผมของของเราดูให้เห็นสับเปล่าเป็นอย่างไดอย่างหนึ่งให้เลยปฏิคูลไปยิ่งดี โอ้ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันดูแล้วเห็นก็ดูเห็นแล้วก็เฉยๆไม่ให้มันไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นดูสักตะวันกลางดูให้เห็นเป็นธรรมชาตินี่เรียกว่ากายขาตาสติมีสติกำหนดจดจอตามกายพิจารณารู ก, กายกายนี้สักตะว่าเป็นกายมีอยู่ แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ปักตา ต, ตัวตนของเรามันพันไปถึงกิริยาทึงซึ่งเป็นหลักของสัจธรรมกิริยาเหล่านั้นแหละเป็นกิริยาที่ท่าให้เรารู้ให้ปอบถ้ากิริยาเหล่านั้นยังไม่โผปลป่มาเราเห็นแต่ ب, เป็นรูปเป็นสีเป็นสันเป็นสันฐานเป็นอะไรก็แล้วตีนเกิดความกำหนัดเกิดความดีด ร, รักไร่ความทุกข์ก่อทุศทั้งหลายลตามมา่าง พิจารณาธาตุอาการส2สองแล้วก็พิจารณาเป็นธาตุอันนั้นมีมีเฉพาะธาตุดิาถาถานและธาตุน้ำอาการส2สองให้บนหลังทัางสวดเราสวดธาตุธาตุธาตุแปลโดยความหมายข็หมันแปลว่าธาตุคือมูลเดิมมูลเดิมมูลเดิม ธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมสิ่งที่เป็นของเดิมอะไรก็ธาตุโมนเดิมอันนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เอาโครงสร้างนี้ให้เราพ่อแม่สร้างโครงสร้างนี้ให้เราพ่อแม่ประกอบโครงสร้างนี้ให้เราบางทีทั้งทีให้พิจารณาเป็นอาการสามสิบสองบางทีท่านให้พิจารณาเป็นธาตุ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุหมือนย่างที่เราสวดต่อมาเป็นบทธาตุธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมเป็นมีอยู่ดั้งเดิมประจำอยู่ในโลกธาตุดินในกายของเราเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นปันเป็นหนังธาตุน้ำ น้ำลายน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลืองน้ำเงือ่น้ำโมดน้ำคดธาตุน้ำธาตุลมลมหายใจเขา้าลมหายใจอใจอกลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามตัวธาตุไ ฟ, ฟ, ฟไอบอุ่นในกายของเราธาเหล่าลนี้มีสิ่งที่ยืนร้อให้เราเห็นอยู่ธาตุดินยืนร้อให้เราเห็นอยู่ สิ่งที่แข็งแข็งเป็นก้อนเป็นแท่งเนะ่ยท่าเรียกว่าทานดินสิ่งที่เอิบอาบซึมซาบท่อานเรียกว่าทานน้ําสิ่งที่อบอุ่นในกายของเราท่าเรียกว่าทานไฟเราหายใจเข้าหายใจออกมันสะดับฝนเปิดกายให้กายนี้เป็นอยู่ได้ทานลมมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ดั้งเดิมของมันทานทั้งหมดนี้ มันมาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยกรรมมันมาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยกรรมด้วยเหตุที่เร า, มาเมาบัตรตามําเนิดของความเป็นมนุษย์เป็นที่รวมของธาตุทั้งสีเ่เริ่มแรกมาจากธาตุพ่อทานแม่ประกอบกันประกอบกันประกอบกันในท้องแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันในในท้นทองอของแม่ เป็นกองสังขารเป็นก้อนสังขารเกิดเป็นกองสังขารเลยปดขึ้นมาเกาะกันเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นธาตุดินของพ่อของแม่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งของพ่อทั้งของแม่มาประกอบกันเป็นกองสังขารกองสังขารของพ่อมาประกอบกับกองสังขารของแม่ เกิดกันในท้องแม่เรามีแต่จิตมีแต่วิญญาณเข้าไปจับจอ่อแค่นั้นเองความดีความชั่วความสุขความทุกข์มากับจิตของเรามากับจิตของเราเราแยกออกจากตัณหาได้ไหมยแยกออกไม่ได้แม้แต่พ่อแม่ท่านประกอบการเจริญพันธต้องอาศัยตัณหาที่มีอยู่ในใจของพ่อของแม่ ประกอบการเจริญพันธุ์จนเป็นเหตุให้เกิดการประสมธาตุในท้องแ ม, ม่มีการตั้งขันภ์มีการกำเนิดตั้งกำเนิดของมนุษย์ขึ้นมาคือกำเนิดเราเราบุย้อนไปหเห็นเราเป็นกองสังขารกองหนึ่งกองหนึ่งโปรยมาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราโปรยขึ้นมาเกิด ข, ข, ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นกองโรงงานกองหนึ่ง สังขารกองสังขารคือกองโรงงานตั้งแต่ปั้ดขึ้นมาประกอบไปนั้นเป็นกองโรงงานกองหนึ่งทำงานทัง้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดผสมกันอยู่นั่นแหละเปลี่ยนมาเรืยเปลี่ยนมาเรืยโตมาเรืยโตมาเรืยโตมาเรื่อยาอยาศัยดูดไอขุนเลือดเนื้อจากแม่ของพ่อส่งมาแล้วมาผสมกับของแม่ตอนนี้หดูดเลือดหดูดเนื้อของแม่ อยู่ในทองแม่ดูเลือดดูเนื้อของแม่โตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมามีมีหัวมีพันจกักรันันจักาขามีหัวมีแขนมีลำตัวมีขามีหัวเป็นพันจักาขาตามลักษณะการอุบัติอของเกิดเป็นนโตขึ้นมาหรือโตขึ้นมาหรือโตอวัยวะส่วนใดซึ่งจาเป็นจะเกิดมาให้เป็นอวัยวะ ของมนุษย์ก็จะพุทเจริญขึ้นอันน้นได้เวลาอายุเท่านั้นนั้นเกิดขึ้นได้อายุเท่านี้อันนั้นเกิดขึ้นอยู่ในตอนแรกขยับมาเลโตัวมาเลยตัวมาเลยดูวัตถุดิบไปลำเรียงลำไปเงโรงงานนี่ทางสายสายสะดือนะสายสะดือดูอาหารไปจังเลยพุตั้งแต่ตั้งขึ้นมาไม่เคยหยุดโรงงานโรงงนนี้ไม่เคยหยุด เป็นกองงานเป็นโรงงานกองทางาน ต, ต, ตลอ<ะ>ดนี่คือกองสังขารสังขารเวล้าเขาประกอบกันแล้วเขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เขาข ย, ยับไปเรื่อยเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเจริในวัยที่ควรเจริญเสื่อมในวัยที่ควรเสือ่อมข ย, ยับไปเรื่อขยับไปเรื่อยขยับไปเรี่ยเดินเดินไปเดินก้าวเดอนคลอดออกมาตัดสายรอกออกจากแม่ตัดสายรอกออกจากแม่ราบรูระบบ ของธรรมชาติเหล่า น, นี้ระดูระบบของมัน ม, นมันแน่นมันเป็นธรรมชาติสร้างมาเนาะเป็นธรรมชาติสร้างมาพอเราตัอดออกไปแล้วสาริยาลิสารสะดือ้อไปอยู่กับสายโรกอยู่กับโรบอันนั้นจากกลูซึมซักอาหารก็ไปหล่อเลี้ยงไปป้อนโรงงานป้อนโรงงานความไม่ขยหยุดนิ่งอยู่กับที่นั่นแหละคืออันนีจัง ความต้องเปลี่ยนไปนั่นแหละคือทุกขันมันแสดงให้ปรากฏตั้งแต่เริ่มแรกเพิ่เดี๋ยวอันนี้คือภาวะที่พระเจ้าท่านให้เราดูกองสังขารกองสังขารที่ไม่คงทังเ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่เปลี่ยนไปทําให้เราสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์บ้างสุขบ้างไม่เปลี่ยนเฉพาะรูปธรรมนามธรรมก็เปลี่ยน ความรู้ความคิดความยินดีความยินร้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผลที่เราได้รับตามมาคือเราได้รับความสุขมากเราได้รับความทุกข์บ้างสุขบ้ากทุกข์บ้างทุกข์บากสุขบ้ากเพราะมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสัญญาขอาท่านให้เห็นให้พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นกระแสของธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นกระแสของธรรม ถ้าใครได้เข้ามารู้มาเห็นด้วยปัญญาจนรู้เห็นแจ่มแจง้งด้วยปัญญาญาเห็นกระแสของธรรมนี่กระแสของธรรมที่เป็นไปในโลกโลกนี้มีกระแสนี้เป็นไปอยู่อย่านี้มีอยู่อย่างนี้แต่ตัณหาในหัวใจของเรามันกะมันเกลีเดแลอเกินมันไม่อยากเปลี่ยนไปอยากอยู่เท่าเดิมที่อยากสังขารสวยงามมันก็เกลียดอยู่ สูยให้งามอย่างนั้นแหละขอสังขารของเราจะเป็นอย่างนี้ถต่อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารไม่ยอมฝังสังขารไม่ฝังเพราะสังขารนะั้นมันปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งคือตัณหาตัณหาก็มีอยู่ในใจของเราแหละมันส่งมาแล้วหลังจากมันส่งมาแล้วมันก็หมดหมดหน้าที่อของมันกลายเป็นภาวะของสังขารนี้จะต้องทํางานเอง ตามเหตุตามปัจจัยที่มันส่งมาแล้วตั้งามส่งมาแล้วมาเป็นตัวมาเป็นตนเป็นทําเป็นคูหาให้ใจตัวนี้ได้เกาะได้อาศัยที่เรียกว่านทําหรือครูหาร่างกายของเราเป็นท่าหรือเป็นครูหาให้ท่ารู้ให้ผูร้รู้ให้ใจของเรามาเกาะ อ, อยู่ท่าดินท่าน้ำท่านลมท่านไฟเป็นสภาพที่เป็นรูป มีอยู่ในโลกมีอยู่ประจําโลกธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟข้างในกายของเราหากมาเกาะกลุ่มกันได้โดยมานกับธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟข้างนอกกายเรามีไหมดินข้างนอกน้ําข้างนอกลมข้างนอกไฟข้างนอกดินน้ําลมไฟข้างนอกนี่คือธาตุที่มีประจําอยู่ดั่นเดิมในโลกเราไม่ได้เอาของใหม่ที่ไหนมาเกิดเราของเก่าที่มีอยู่ในโลกเกิดอยู่ในโลกมาเกิด เป็นตินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟล้วก็คุมกันเจชินเติะ์โคลเปตามอำนาจของกรรมนี่คืออัตภาพความถึงข์เราได้มาอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจภาวะความมีความเป็นของมันอย่างนี้เราก็ลุ่มหลงเมื่อเราลุ่มหลงเราก็ยึดด้วยเหตุที่เรายึดเรายึดด้วยความหลงด้วยเหตุที่เราหลงเราจึงยึดด้วยเหตุที่เรายึดด้วยอํานาจของความลุ่มหลงมันหลงยึด หลงยึดใจที่มันมาเกาะแล้วก็อาศัยอำนาจโมหะความหลงพาในใจมันยึดยึดกายต้องการให้กายเป็นไปตามใจชอบพุทธุีกายมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยที่มันจะต้องไปตามความนึกคิดของเราเองอย่าลืมว่าร่างกายอัตภาพของเราเจิตใจของเราสามารถบังคับได้แค่เปลี่ยนอิริยาบถเท่านี้ บังคับให้ยืนบังคับให้เดินบังคับให้นั่งบังคับให้นอนบังคับให้กินให้ดื่มให้ทำให้พูดสามารถเอาใจของเราบังคับได้แต่บังคับให้มันทนอยู่ในสภาพเดิมบังคับไม่ได้บังบังคับไม่ให้มันเปลี่ยนไปเป็นอันอีกอางเป็นทุกขันบังคับไม่ได้อย่าบังคับ ด้วยอำนาจของตันหาบังคับเท่านอะไก็บังคับไม่ได้ด้วยเหตุที่ไม่สมฝังด้วยเหตุที่บังคับไม่ได้เนี่ยก่อทุกข์ทั้งหลายต่างท่านหลวงก็ตามมาพระเจ้าท่าจชิดทรงตรัสถว่าปัญจขันนี่แหละเป็นที่รวมของก่อทุกข์ปัญจขันก็คือรูปร่างกายของเราในอาการของจิตทั้งสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และกออแต่และกออปัญจขัน วุฒที่เรายึดเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้คงมั่นคงให้แล้เป็นไปตามใจหวังทุกอย่างแต่มันไม่เคยเป็นไปตามใจหวังของเราเพราะเหุปัจจัยมันคนละอย่างคนละเรื่องมันขาดเหมือนอินห่างความนึกความคิดตัางหาแต่ร่างกายันก็เป็นไปตามภาวะของมันมันมีเหตุมีปัจจัยต่างหากเราพยายามกะใหเกิดไปตามใจหวังไม่ได้พุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาปร่งแล้วก็ปล่อยพิจารณาปร่งแล้วก็ปล่อยพิจารณาปร่งแล้วก็ปล่อย ไม่มีอุบายวิธีใดไทยที่จะมายึดมาก่อมาเกี่ยวมาผูกพันกับมันได้มีเข้าไปรู้เห็นพิจารณาแล้วก็ปล่อยดูให้เห็นเป็นลักษณะของการปฏิกูหน้าเบื่อน่ายโศกโรู้ดูให้เห็นลักษณะของความเปลี่ยนไปเป็นกองทุกทุกทุกแก่ทุกเจ็บความเจ็บก็คือโรคภัยไข้เจ็บความไม่สบายด้วยโรคนี้ด้วยโรคนี้โรคภัยไข้เจ็บ หลังจากยศุภตายตายแก่ก็ไม่อยากแก่เจ็บก็ไม่อยากเจ็บตายก็ไม่อยากตายไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายไม่มีใจมันคิดปฏิเสธภาวะธรรมชาติเราเองไม่รู้ไม่เข้าใจมันคิดปฏิเสธด้วยความหลงด้วยทางขอความรุ่นหลงเราไม่มาพิจารณาเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เรายึดเราหลงหลงของเน่าเฟะหลงของปฏิกูลโสโครื่นหลงอยู่อย่างนี้เลย เวลาเราเราหลงเราก็ยึดยึดให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองยึดยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนยึดยังไงมันต้องการยังไงมันก็ไม่เปลี่นเป็นทุกที่จะเรียกว่าผิดหวังปรารถนาสิ่งใดไม่เป็นไปตามใจหวังก็ผิดหวังปรารถนาไม่เป็นไปตามใจหวังย่อมปิดช่องนรกติดตามเป็นตุก ข, ข์ ปรารถนาสี่ไร่มันเป็นไปตามใจว่างเป็นทุกข์ทุกหรือไม่ทุกข์เราดูมาที่เราปรารถนาเี็จะไปตามใจความทุกข์หรือไม่ทุกร่างกายจงเป็นอย่างนี้เธอจะเจ็บอยากไข้อย่าป่วยเลยอยากแก่เลยจงหนุ่มเต็มเต่งเต็งฟออยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องแก่ไม่ต้องกําลังว่างช้าต้องจงอยู่อย่างนี้เธออย่าได้อิดโรยอ่อนพล้า เมื่อเอฟเลียใหมีกำลังวังชาดีๆใหมีร่างกายเต็มเต่งเต็งสวยงามอย่างนี้ตลอดจิตใจมันชอบอย่างนี้แหละแต่ที่จริงตัณหามันผ่ายชอบตัณหาคือความอยากที่มันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มาเป็นกับกันปุริชามันผ่าเราชอบ ตื่นตาตื่นใจโอ้วันน้ น, น่าชอบใจติดใจติดใจติดใจยึดเข้ามาติดใจยึดเข้ามาโอ้อันนั้นไม่ดีไม่งามไม่ชอบพลักออกไปที้ออกไปอแต่เพราะว่าอันนี้ยังดึงเข้ามามาเข้ามาไม่ได้ยังพลักออกไปก็ถังมาได้พลักควแก่พลักความเจ็บพลักความตายออกไปพลักได้ไหมพลักไม่ได้อ จะเป็นต้องแก่จะเป็นต้องเจ็บจะเป็นต้องตายไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายแต่หากสังขารของเรามันมีกรอบสังขารปรุงแต่งอยู่มันคนละเรื่องกับจิตที่มีความต้องการจิตต้องการตามอำนาจของตังหาจบเป็นี้เถิจะเป็นี้เถิดร่างกายไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องร่างกายเปลี่ยนตามเรื่องของมันจิตใจกบบต้องการอยู่นี้แหละ มันเป็นการปรารถนาการต้องการที่ที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันโดยอำนาจของตัณหามันสร้างขึ้นมาแล้วก็ถือว่ามาเสร็จไปแล้วเป็นรูปงานสำเร็จรูปของมันไปแล้วแต่อันนี้จะต้องเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยนะขาดเหตุขาดปัจจัยมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เข้าไปอาหารป้อนโรงงานเราก็ไป อาหารปรุงงาเข้าไปสามชั่วโมงหิวแล้วสองชั่วโมงหิวแล้วหนึ่งชั่วโมงหิวแล้วเพร่างการมันบวกร่องใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วอิ่มอิ่มแล้วก็หายหิวตอนที่มันบกมันกร่องเราก็หิวเกิดความรู้สึกว่าขาดบวกร่องใส่ไปแล้วหายหิวรัาทํานอิ่มแล้วหายหิวด้วยมีกําลังวางชาด้วยหายหิวด้วยมีกําลังวางชาด้วย มีอะไรอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนแปลงไทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทุกเรื่องท่านดูใหเห็นหเห็นให้เป็นทุกข์เป็นโทษเราลงไปในท้องแม่เราจะเห็นว่าบุญคุณของพ่อบุญคุณของแม่ปลูกต้นชีวิตให้กับเราพร้อมแม่ช่วยกันปลูกปลูกต้นชีวิตต้นนี้พร้อมแม่ช่วยกันปลูกปลูกในท้องแม่ปลูกเสร็แล้วเจริญเติบโตมา แม่เขาอุ ม, มาแล้วเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนมีความผูกพันขนาด น, นั้นบางคนไม่รู้บนรู้คุณของพ่อของแม่ชี้ไปที่ไหนชี้พ่อชี้แม่ชี้มาที่ร่างกายของเราตัวเราทั้งหมดนะเป็นก้อนเป็นแท่งนี้แหละนี่แหละโครงสร้างทั้งหมดเราได้มาจากพ่อจากแม่เป็นทางชิ้นแรกที่โลกได้รับมาจากพ่อจากแม่ลูกบางคนไม่ตั้งใจไม่รู้ ออมาแล้วมาทวงเอาสมบัติจากพ่อฉันไม่ขอนั้นขอนี้ขอนั้นก็ไม่ให้ขอนี้ก็ไม่ให้ฉันให้มาแล้วให้ตาให้หูจมูกเล็บกายอยากให้มือให้ตีนให้สติให้ปัญญาให้อะไรมาหมดแล้วแต่เราอทักทวงเราไม่ได้สนใจผิดเข้าหมองใจถึงทะเลาะบอกไม่ถึงฆ่าถึงแก่ บางทีก็เอาพ่อเอาแม่ไปทําทารุณที่สุดไปติดเล่าเมายาไปทําผิดเป็นทุกข์เป็นโทษให้เขาจับให้ก็เตะให้ก็าทีให้เขาชกเขาต่อยให้เขาข้าถือว่าเป็นการเนรคุณกับพ่อกับแม่ถือว่าเนรคุณกับพ่อกับแม่ไม่รู้บทรู้ขุนของพ่อของแม่รู้ก็คือรู้จักรักษาในรักษาตัวให้ดี เอาร่างกายของเราเนี่ยมาประกอบสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์มากราบมาไหว้มาอ่อนมาน้อม เ, เป็นเรื่องของศีลน้องทําทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการเทริดทูนพอไหมเอามาเรียนศึกษาเอามาถือพระพฤติเอามาถือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเพื่อจะทำตัวเองให้พ้นทุกข์นโทษแล้วก็พิจารณาให้เห็นความเป็นอยู่ของตัวเองเพื่อเห็นหเห็นไัย ภัยก็คืออ น, นิจจังอ น, นิจจังอ น, นิจจังภัยทุกขังภัยอ น, นิจจังภัยอนัตตาภัยให้เห็นทุกเหล่านี้ให้เห็นเสร็จแล้วมันจะทําให้เราคลายจามจากการทิพจากการถึงควาทมทุ่ม์นหัวใจมันน้อยลงน้อยลงวิชาการทั้งหมดอยู่ภูติยาท่สอนเราดูในหลักพระสิทธิฐานทั้งหมดอ่ะมันเป็นวิชาการที่พุทิยาประมวลมารวมกันทั้งหมดแล้วมาสอนพวเรา เรามาเปิดดูต้องรู้กายโดยเฉพาะเรื่องกายนี่ท่านเอาอะไรอะไรมาสอนมากมายสอนพิจารณาลมสอนพิจารณาท่าสอนพิจารณาของปฏิกูลสอนให้พิจารณาป่าชาเก้าด้วยเกิดความเบื่อหน่ายคลาจางของถาดของขันพิจารณาเห็นคุณออกมาพิจารณาเห็นโทษออกมามีคุณยุ่มีคุณเล็หน้อ ที่เรียกว่าการมาคุณการมาคุณแต่นอกจากนั้นเป็นโทษทนะั้นโทษอะไรโทษทรมารายาใส่ให้มันหาอยู่หากินหามาโนมาหอมมาอยู่มากินอ่หามาอยู่หาที่อยู่ที่อาศัยให้มันอยู่อาหารใส่ก็ไปในปากในท้องเพราะร่างกายมันบกพร่องในตัวมันเองมันบกพร่องอยง่ทุกเวลาเมื่อร่างกายมีความบกพร่องมันก็พันมาที่ใจ ใจก็ต้องสอสต้องเสแสรงหาแสร้งหาได้ทุกได้ยากได้ลําบากนักหนักเข้าเจออะไรเอาหมดผิดเจอบชั่วดีผิดศีลผิดธรรมไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นการเล็กเป็นการขโมยเป็นการชอบเป็นการโกงเป็นอะไรจ่ออะไรสกปรกเรื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อจะเอามาอะไรเอามาใส่ปะกเอามาใส่ท้องที่นั้นเองหรือผิดศีลผิดธรรมก่อทุกข์ก่อโทษ ทุกโทษด้วยพฤติกรรมที่เราแสดงทางกายกรรมด้วยพฤติกรรมที่เราแสดงทางวาจาวิกรรมมโนกรรมถ้าที่ให้เราตั้งใจให้ทานรักษาสีพระพฤติทางปฏิบัติทำเพื่อจะมาสมกพระงับความอยากที่มันเดียดดิ้นมาแสดงบทบาทมาที่กริยากายกี่ิยาวาจของเราถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะสงบระงับได้มีทุกมีโทษ อยู่กับมันอย่างนี้อยู่ร่ำไปไม่จบไม่สิ้นพิจารณาเห็นเป็นทุกเป็นโทษมาโปรมาปล่อยเรามีความสุขเห็นทุกเห็นโทษล้วดึงดึงจิตเราออกมาถอยออกมาพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษดึงจิตถอยออกมาถอยออกมามันไม่อยากไปชุ่มแช่อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกเป็นโทษมันเห็นเป็นทุกเป็นโทษมีแต่จะเบื่อนายคลาจาง หนีสละดทิ้งโยนทิ้งทำลายทิ้งในสุดทุกกาทำลายการยึดมั่นถือมั่นพิจารณาให้ทุกเห็นโผลเหล่านี้แล้วเราควรจะชะลอการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาร้วยคามฟันพิจาาความสุขความทุกกับตัวเองได้มีความสุขมีความชุ่มเย็นในหัวใจของเราได้ ตรงนี้ก็มวนหน้านะตรงนี้สามสีหน้าเนี่ยามาออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันพระเราก็ออกมาช่วยกันสอบบวชข้าวกันออกมาช่วยกันท่านเจ้า ค, คุณเจ้าได้จังหวัดมีบุญทั้งหมดมาม า, มาบวชมาเป็นอลวงชา ย, ยาแต่ท่านฉันเสร็จมาแต่ มาถึงนี้ไม่เกินสามโมงท่านกว่านั้นนะหมายพวกเราจะต้องเสร็จไล่ๆกับสามโมงนะ้วเราต้องทีบเสร็จต้องทีมเสร็จแต่มวกก็เสร็จเราเราได้เลยท่านฉันเสร็จแล้วท่านต้องเดินทางมาอีกท่านอาจจะฉันเช้าก็ได้ท่านไปฉันในที่ผิดที่ของท่านเนี่ยท่านแพ้ชูรถท่านระวังมากเรื่องถขชูของมนแล้วทุกวันนี้ท่านก็ไม่เคยสบายด้วย เราเรางนี่มนท่านดูท่านเมตตาเมตตามาเ้าก็ดูเลยเมื่อก่อนท่านสบายดีตอนหลังมาเนี่ยปี น, นี้ออกพรรษา ม, มาเนี่ยท่านม็นสบาย ด, ดูแลครับแสดงว่าท่านมีมียาดีมีกำลังดีเพราะนั้นท่านมาไม่ได้ดอกแล้วก็อาจารย์สวดก็มาด้วยกันเนี่ยในขาของท่นทานทั้งสองน่ะ หาวิชาณมหาไสา ย, ยันมหาวิชาณส่วนเอาวันนี้เอาแค่นี้แหละใครจะไปบิวแลนด์บิวดีแลนด์ก็ไปเอาเวลามาทิ้งมากมาย ไปภาวนาสงบระงับแค่ไไนในหัวใจของเราสงบรงับตันหาในหัวใจของเรามันฟาดดิด่ดนตลอดลราภาวนาเพื่อสงบระงับสิ่งเหล่านั้นสงบได้ก็งับได้เป็นสุขอ่านนี้แหละ <c ười> แล้วพระเราก็พระเราก็ไม่ต้องคอยแล้ววันนี้ พวกนี้เราก็ไปอีกแล้วเนี่ไม่ต้องขอดอกไปอีกกี่คืนมาลูกหน่ะ